ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎกแปดก้าต้องเป็นผู้รู้ผู้เห็นจึงสิ้นอาสะวะได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสะวะของผู้รู้ผู้เห็นไม่กล่าวความสิ้นอาสะวะของผู้ไม่รู้ไม่เห็นรู้อะไรเห็นอะไรเล่าความสิ้นอาสะวะจึงมีได้ รู้เห็นโยนิโสมนัสิการคือการทำไว้ในใจโดยแยบคายและอโยนิโสมนัสิการการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายเมื่อทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายอาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นเมื่อทำไว้ในใจโดยแยบคายอาสวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดแล้ว ก็จะละเสได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสะวะที่พึงละได้ด้วยทัศนะคือการเห็นก็มีอาสะวะที่พึงละได้ด้วยสังวรคือความสำรวมก็มีอาสะวะที่พึงละได้ด้วยปฏิเสวะนะคือการใช้สอยการบริโภคก็มีอาสะวะที่พึงละได้ด้วยอธิวาสนาคือการอดทนหรือข่มไว้ก็มี อาสวะที่พึงละได้ด้วยปริวัชนะคือการงดเว้นก็มีอาสวะที่พึงละได้ด้วยวิโนทนะคือการบรรเทาหรือการทําให้น้อยลงก็มีอาสวะที่พึงละได้ด้วยภาวนาคือการอบรมลงมือปฏิบัติให้เกิดผลก็มีอาสวะที่พึงละได้ด้วยทัศนะคือการเห็น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะที่พึงละได้ด้วยการเห็นเป็นชไหนปุชนคือคนผู้ยังมากด้วยกิเลสในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้เห็นสัตบุรุษคือคนดีไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่รู้จักธรรมที่ควรทำไว้ในใจคือควรใส่ใจไม่รู้จักธรรมที่ไม่ควรทำไว้ในใจคือไม่ควรใส่ใจเมื่อไม่รู้จักธรรมที่ควรใส่ใจและไม่ควรใส่ใจจึงใส่ใจธรรมที่ไม่ควรใส่ใจไม่ใส่ใจธรรมที่ควรใส่ใจดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เขาใส่ใจธรรมที่ไม่ควรใส่ใจชนิดไหนคือชนิดที่เมื่อใส่ใจเข้ากามาสวะหรือกิเลสที่หมักดองสันดานคือกามภาวะสวกิเลสที่หมักดองสันดานคือความยินดีในภพได้แก่ความติดใจในฌานหรือในสมาธิขั้นสูงอวิชชาสวกิเลสที่หมักดองสันดานคืออวิชชาความไม่รู้จริง เขาใส่ใจธรรมที่ไม่ควรใส่ใจชนิดไหนคือชนิดที่เมื่อใส่ใจเข้ากามาสวะภาวาสวะและอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเขาไม่ใส่ใจธรรมหรือธรรมะที่ควรใส่ใจชนิดไหนคือชนิดที่เมื่อใส่ใจเข้ากามาสวะภวาสวะ และอาวิชาสวะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็จะละเสียได้เพราะการใส่ใจธรรมที่ไม่ควรใส่ใจและการไม่ใส่ใจธรรมที่ควรใส่ใจของบุคคลผู้นั้นอาสวะที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเริญยยิ่งขึ้นผู้นั้นย่อมใส่ใจโดยไม่แยบคายอย่างนี้ว่า หนึ่งเราได้เคยเกิดมาแล้วในอดีตการนานไกลหรือหนอสองหรือว่าเราไม่ได้เคยเกิดมาแล้วในอดีตการนานไกลสามเราได้เคยเกิดเป็นอะไรหนอในอดีตการนานไกลสี่เราได้เคยเกิดเป็นอย่างไรหนอในอดีตการนานไกลห้า เราได้เคยเกิดเป็นอะไรแล้วเกิดเป็นอะไรอีกหนอในอดีตการนานไกล 6. เราจะเกิดหรือหนอในอนาคตการนานไกล 7. หรือว่าเราจะไม่เกิดในอนาคตการนานไกล 8. เราจะเกิดเป็นอะไรหนอในอนาคตการนานไกล 9. เราจะเกิดเป็นอย่างไรหนอ ในอนาคตการนานไกล10เราจะเกิดเป็นอะไรแล้วเกิดเป็นอะไรอีกหนอในอนาคตการนานไกลหรือปารบปัจจุบันการนานไกลก็เกิดความสงสัยภายในขึ้นว่า11เอเราเป็นหรือหนอ12หรือว่าเราไม่ได้เป็น 13. าเราเป็นอะไรหนอ14 เราเป็นอย่างไรหนอ1สสัตว์นี้มาเกิดจากที่ไหนหนอ 16. เราจะไปเกิดที่ไหนหนอเมื่อเขาใส่ใจโดยไม่แยบคายอย่างนี้ทิฏฐิคือความเห็นหกอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดขึ้นคือ 1. ความเห็นอย่างเป็นจริงอย่างมั่นคงของผู้นั้นย่อมเกิดขึ้นว่าอัตตาคือตัวตนของเรามีอยู่ 2. ความเห็นอย่างเป็นจริงอย่างมั่นคงของผู้นั้นย่อมเกิดขึ้นว่าอัตตาคือตัวตนของเราไม่มี 3. ความเห็นอย่างเป็นจริงอย่างมั่นคงของผู้นั้นย่อมเกิดขึ้นว่าเรายอมจำอัตตาคือตัวตนได้ด้วยอัตตาคือตัวตนนี่เอง 4. ความเห็นอย่างเป็นจริงอย่างมั่นคงของผู้นั้นย่อมเกิดขึ้นว่า เรายอมจำอนัตตาคือสิ่งไม่ใช่ตัวตนได้ด้วยอัตตาคือตัวตนนี่เอง 5. ความเห็นอย่างเป็นจริงอย่างมั่นคงของผู้นั้นยอมเกิดขึ้นว่าเรายอมจำอัตตาคือตัวตนได้ด้วยอนัตตาคือสิ่งไม่ใช่ตัวตนนี่เอง 6. หรือผู้นั้นเกิดความเห็นอย่างนี้ว่าอัตตาหรือตัวตนของเราเป็นผู้พูด เป็นผู้รู้ย่อมเสวยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วในที่นั้นๆอัตตาหรือตัวตนของเรานั่นแหละเป็นของเที่ยงยั่งยืนเป็นอย่างนั้นไม่แปรผันจะตั้งอยู่อย่างนั้นเสมอด้วยสิ่งซึ่งคงทนทั้งหลายนี้แหละภิกษุทั้งหลายเรียกว่าทิตธิขตะคือตัวทิฏฐิทิฏฐิขหนะ การยึดด้วยทิฏฐิทิฏฐิกันตาระทางกันดานคือทิฏฐิทิฏฐิวิสูกะความยอกย้อนแห่งทิฏฐิทิฏฐิวิปพันทิตะความพันผวนแห่งทิฏฐิและทิฏฐิสังโยชนะเครื่องผูกคือทิฏฐิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ผู้ถูกเครื่องผูกคือทิฏฐิผูกมัดแล้วเรากล่าวว่าย่อมไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความเศร้าโศกความพิไรรัพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจไม่พ้นไปจากทุกได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายแต่อริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วผู้เห็นพระอริยะเจ้า ฉลาดในธรรมะของพระอ اء, ริรนนรอรอยเจ้ gravity, าด es, ได้รับการแนะนำดีแล้วในธรรมะของพระอริยเจ้าผู้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษได้รับการแนะนำดีแล้วในธรรมะของสัตบุรุษย่อมรู้จักธรรมะที่ควรใส่ใจและไม่ควรใส่ใจผู้นั้นเมื่อรู้จักธรรมะที่ควรใส่ใจย่อมไม่ใส่ใจธรรมะที่ไม่ควรใส่ใจ ยอมใส่ใจธรรมะที่ควรใส่ใจดูก่อนภิกษุทั้งหลายเขายอมไม่ใส่ใจธรรมะที่ไม่ควรใส่ใจชนิดไหนคือชนิดที่เมื่อใส่ใจเข้ากามาสวะอาภาสวะอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จเจริญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เขายอมใส่ใจธรรมะที่ควรใส่ใจชนิดไหนคือชนิดที่เมื่อใส่ใจเข้ากามสวะภวาสวะอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วย่อมละเสได้เพราะการไม่ใส่ใจธรรมะที่ไม่ควรใส่ใจและการใส่ใจธรรมะที่ควรใส่ใจของบุคคลนั้นอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้ว ก็จะละเสียได้ผู้นั้นย่อมใส่ใจโดยแยบคายว่าน mm hmm. ี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้ทุกข์เกิดนี้คือความดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เมื่อบุคคลนั้นใส่ใจโดยแยบคายอย่างนี้ย่อมละสั่งโยน์คือกิเลสเครื่องผูกมัดสามอย่างเสียได้ mm hmm. ได้แก่สักยทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุยึดถือว่ากายของเรา วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยศิลพะตะปรามาสความยึดถือศีลและพรษความติดในลทัทธิพิธีต่างๆนี้แหละภิกษุทั้งหลายเรียกว่าอาสวะที่พึงละได้ด้วยการเห็นอาสวะที่พึงละได้ด้วยสังวรคือความสำรวม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะที่พึงละได้ด้วยความสำรวมเป็นไนภิกษุในพระธรรมมิวินนันนี้พิจารณาโดยแยบขายแล้วเป็นผู้สำรวมระวังอินทรีย์หรือสภาพที่เป็นใหญ่คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งเมื่อไม่สำรวมระวังแล้วอาสวะหรือกิเลสที่หมักดองสันดานที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให ก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อสำรวมระวังแล้วอาสวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนก็จะไม่มีนี้แหละภิกษุทั้งหลายเรียกว่าอาสวะที่พึงละได้ด้วยความสำรวมอาสวะที่พึงละได้ด้วยปฏิเซวนณะคือการสองเสพการใช้สอยการบริโภค ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะที่พึงละได้ด้วยการซ้องเสพเป็นไฉไหนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบขายแล้วจึงใช้สอยจีวรผ้านุ่งหม่มเพียงเพื่อบำบัดความหนาวความร้อนบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ให้เกิดความละอาย เธอพิจารณาโดยแยกขายแล้วจึงบริโภคบิณฑบาตคืออาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งเพียงเพื่อตั้งอยู่ได้แห่งร่างกายนี้เพื่ อ, อยางชีวิตเพื่อรงงับความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าด้วยการบริโภคนี้เราจะบรรบัดทุก์หรือเวทนาเก่าไม่ทาทุก หรือเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นเราจะดำรงชีวิตได้ความไม่มีโทษและความอยู่เป็นภาสุขจะเกิดขึ้นเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยเสนาสนะคือที่นอนที่นั่งเพียง <spe ech> <spe ech> เพื่อบำบัดความหนาวความร้อนบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลาน เพื่อบันเทาอันตรายอันเกิดแก่ฤดูกาลและเพื่อยินดีในความหลีกเล่นเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคยารักษาโรคเพื่อบำบัดเวทนาเนื่องจากอาพาธต่างๆอันเกิดขึ้นแล้วเพื่อไม่มีความเจ็บไข้เป็นสำคัญเพราะเมื่อภิกษุไม่ซองเสพปัจัยสี อาสะวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อสองเสพปัจัจสี่อาสะวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะไม่มีนี้แหละภิกษุทั้งหลายเรียกว่าอาสะวะที่พึงละได้ด้วยการสองเสพอาสะวะที่พึงละได้ด้วยอธิวาสนะ คือการอดทนหรือข่มไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะที่พึงละได้ด้วยการอดทนเป็นชนัยภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมเป็นผู้อดทนได้ต่อหนาวร้อนหิวกระหายต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เสือคลานต่อถ้อยคำหยาบคายที่มากระทบ ต่อทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นอันกล้าแข็งเจ็บปวดไม่เป็นที่สำราญไม่เป็นที่พอใจขนาดจะทำลายชีวิตเสียได้เพราะเมื่อภิกษุนั้นไม่อดทนอาสวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธออดทนอาสวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะไม่มีนี่แหละภิกษุทั้งหลายเรียกว่า อาสวะที่พึงละได้ด้วยการอดทนอาสวะที่พึงละได้ด้วยปริวัชนะคือการงดเว้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะที่พึงละได้ด้วยการงดเว้นเป็นชนภะิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมเว้นช้างดุม้าดุโคดุสุนักดุ งูต่อไม้ที่ที่ทมีน้ําบ่อน้ําเหวน้ําคร่ำหลุมโศโครภิกษุนั่งในอาสนะอันไม่สมควรครบมิตรชั่วย่อมถูกเพื่อนพรหมจารีผู้รู้เข้าใจไปในฐานะอันชั่วเธอพิจารณาโดยแยบกายแล้วย่อมเว้นอาสนะอันไม่สมควรนั้นที่เที่ยวไปอันไม่สมควรนั้นและมิตรชั่วเหล่านั้น เพราะเมื่อเธอไม่เว้นอาสะวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอเว้นอาสะวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะไม่มีนี้แหละภิกษุทั้งหลายเรียกว่าอาสะวะที่พึงละได้ด้วยการงดเว้นอาสะวะที่พึงละได้ด้วยวินโนธนะคือการบันเทา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะที่พึงละได้ด้วยการบรรเทาคือการทําให้น้อยลงเป็นฉนัยภิกษุในพระธรรมวิไนนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมไม่รับไว้ย่อมบรรเทาย่อมทําให้หมดไปย่อมทําให้ตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งกามวรตกคือความตรึกในการพยาบาทวิตกคือความตรึกในการปองร้ายวิหิงสาวิตก ความจรึกในการเบียดเบียนซึ่งเกิดขึ้นแล้วเพราะเมื่อภิกษุนั้นไม่บรรเทาอาสวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอบรรเทาอาสวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะไม่มีนี้แหละภิกษุทั้งหลายเรียกว่าอาสวะที่พึงละได้ด้วยการบรรเทาคือการทำให้น้อยลง อาสวะที่พึงละได้ด้วยการภาวนาคือการอบรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะที่พึงละได้ด้วยการอบรมคือการลงมือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นไฉนภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมอบรมคือลงมือปฏิบัติสัมโพชฌงหรือองค์แห่งปัญญาเครื่องตัดสรู้ คือ 1. สติความระลึกได้ 2. ธรรมวิจยะการเลือกเฟ้นธรรมะ 3. วิริยะความเพียร 4. ปิติความอิ่มใจในธรรมะ 5. ปัสสติความสงบใจ 6. สมาธิความตั้งใจมั่นและ 7. อุเบกขาความวางเฉยในธรรมะอันยิ่งความสงัด อิงความคลายกำหนัดอิงความดับทุกข์อันน้อมไปเพื่อความสละกิเลสเพราะเมื่อภิกษุนั้นไม่อบรมอาสวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธออบรมอาสวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะไม่มีนี้แหละภิกษุทั้งหลายเรียกว่าอาสวะที่พึงละได้ด้วยการอบรม สรุปความดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนื่องจากอาสวะที่พึงละได้ด้วยการเห็นอันเธอละได้แล้วอาสวะที่พึงละได้ด้วยความสํารวมอันเธอละได้แล้วอาสวะที่พึงละได้ด้วยการสองเสพอันเธอละได้แล้วอาสวะที่พึงละได้ด้วยการอดทนอันเธอละได้แล้วอาสวะที่พึงละได้ด้วยการงดเว้น อันเธอละได้แล้วอาสวะที่พึงละได้ด้วยการบรรเทาอันเธอละได้แล้วอาสวะที่พึงละได้ด้วยการอบรมอันเธอละได้แล้วเธอจึงชื่อว่าปิดกั้นแล้วด้วยการปิดกั้นอาสวะทั้งปวงได้ตัดขาดซึ่งตันหาคลายได้ซึ่งเครื่องผูกมัดทมที่สุดทุกขได้โดยชอบ เพราะตรัสรู้เรื่องของจิตใจข้อความจากสัพพาสวะสังวรสูตร